แนะนำบทอัตริคบทอัตริคเป็นบทมักกิยาะมี17องค์การแกนหลักของบทกล่าวถึงเรื่องการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมพ่อพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอลัลลอฮ์ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยย่อมสามารถที่ให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วได้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 และเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มวลมนุษย์ทั้งปวงและได้ชี้แจงความจริงของอลัลกรุรอานนี้อีกครั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวดด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวั ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าที่ทำให้เจ้าได้รู้ว่าสิ่งที่ปรากฏในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสงไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพัง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 ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้มเมล็ดพืช อ, ออกมาแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือพระดำดาที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จ อัลกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้าสาระอุแถ้าจริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ิดดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนในบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง